ทวามที่อยากรู้อยากเห็นของมีกําลังมากแต่ใจไม่ยอมเป็นไปให้มีก็เดือกร้อนอันหนึ่งไม่เคยเป็นมาแล้วมันเหลือแต่ใจใพุ้นหนึ่งอ่ะความอยากภายในจิตใจนี่เหมือนจะล้มต่างแต่สมายเรื่อความอยากรู้อยากเห็นในธรรมเวลาปฏิบัติจิตใจไม่เป็นไปตามก็เดือดร้อนเสียใจมันคืนหน้านั่งน้ําตาร่วงอยู่กับมือ้ัทต้งมีตัวเองนี่ยว่าอํานาจว่าสนะน้อย ม า, มาบวชแล้วขนาดศาสนาท่านบอกบอกมานั่งภาวนาก็หาทางออกทางเข้าไม่ได้ยิ่งนั่งจม อ, อยู่กับกองทุกข์มันคิดไปอย่างนั้นความจริงการปฏิบัติของเราไม่ถูกคือเรามุ่งแต่ผลรายได้โดยไมค่คํานึงถึงงานที่ทําว่าถูกหรือผิดความอยากที่มีกําลังเมื่อไม่สมหวังก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถหากเราคานึงถึงการปฏิบัติของเรา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 ลำบากตอนนี้ท้งน้ำพุทธโธพุทธโธเนียพุทธโธพึ ค, ความอยากมันคอยแทะขมานมันจะอยากรู้อยากเห็นอยากให้จิตเป็นอย่างนั้นนี้จิตไมันเลยเพลินแต่กับความอยากเนมันมืมงานแต่ของะนะทีนี้ผลที่ท่านมันก็ไม่ได้ผลเพราะมัเกิดความเหนื่ล้านเสียใจ เป็นอยู่เสมอภายในจิตใจแต่จะเป็นทีไรก็ตามไม่เหมือนกับปิตที่มันเสือ่อมหม่ปิตเสือ่อมร้อนมากจริงก็เคยเห็นเหตุเผลไปรับความสะดวกสบายสงบเครื่องเยน็นภายในจิตใจมาแล้วปรากฏเป็นพื้นเป็นฐานอย่างชัดเจนแต่แล้วมาเสือ่อมไปเชี่อปิติร้อนมากจริงๆร้อนจนตันมทีที่ยักที่ยั่งดีอยู่ดีเหนือนก็ร้อนมันก็ไม่ถอย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 มันก็ทันกันมันก็รีบเอากลับมาได้มีถูกต้องนะทีนพอทอดทุลักแล้วจิตมันก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านมาแล้วมากน้อยทั้งจะอยู่ในวงปัจจุบันจะสั่งสมรู้ภารณาพุโทโธนี่อย่างเดียวเท่านั้นได้หรือไม่ได้อะไรๆก็พุดธแล้วแต่พุโทโธจะโดยบรรดานให้นเ น, หนี่ยนะคิดๆจนกระทั่งจิตมันลง มันลงแล้วพุโทโธก็จําเป็นปล่อยสักทีหนึงทีนี้มันลงนะเองแต่ก่อนนั้นไม่ยอมลงพอจิตมันลงแล้วก็คำว่าพุโทโธนั่นมันก็ไม่จําเป็นเรืองเร่ความรู้ล้วนเ ด, ด่นชัดเจนแล้วก็อยู่กับความรู้นั่ะพอถอนออกมาก็เอาพุโทโธอัดเข้าไปไม่หวงังจะเกิดอะไรก็ไม่หวงังจะผลอะไรก็ไม่หวงังเพราะเคยหวังมาแล้วนั่นเป็นโทษแห่งความหวงังแล้วจรงความหวังแบบ พอเปล่แบบมันมีเหตุมีผลแบบไม่ทํางานเอาที่นี้จะทำแต่งานถามแต่งานถึงเมื่อได้รับการบำบ u l o การรักษ า, กาโดยถูกต้องมันก็สงบค่อยสงบขึ้นมาสงบขึ้นมาแ น, น, น่นเข้าไปแน่นเข้าไปจนกระทั่งถึงระดับเก่าอืณแตกแล้วคุเอาถึงระดับเก่าก็ทอดทลายไว้อย่างนั้นอีกเพิ่นกัน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 เคยหังแล้วไม่เกิดประโยชน์จะเอาเท่านี้แหละเอาอันเดียวเท่านี้เอาพุโทโธตอนนี้คือถืงสมืกความทุกมากจริงๆแต่เดชะอย่งหนึ่งที่จิตไม่ถอยมันจะจะเอาท่าเดียวเนื่ยพอพ้นพอสู้กันได้นะถ้าว่าถอยเ ย, ยีงอยู่จะดีกว่านี่ก็เป็นนร่อหมดไปเลยนั่นล่แลนั้นมา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 ตอนทุกขเวทนาคือคืนมันนั้นก็ยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะยังไม่ตั้งสัจ า, าในใดเลยนั่งธรมรมด า, มาแต่เวลาทุกเวทนามันเกิดขึ้นมามากเอ๊ยยังไงนี่เราจะต้องสู้ให้เห็นเหตุหผลเวทนาถือวันนี้ให้ตั้งสัจจะในขณ น, นั้นเลยเอาถาม่ถึงเวลานั้นไม่ดุถึงเอาเลยเอาตรงนั้นหมายถึงสว่างเป็นวันใหม่อ น, นี้จัพิจารณาทุกเวทนาให้มันเห็นแจ้งเห็นชัดทาง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 เกิดแต่ความสักจะวรู้จะแบคิดแบบปุงกันอย่างนั้นปุงไปนี้ก็แล้วนี่นะไม่ปุงเลยพรไม่ปรุงแล้วก็เรียกว่าไม่ขยับขยือ่นอะไรทั้งนั้นแน่วความคิดแน่อยู่ในลำพังตนเองคือจิดล้วนๆแต่เราไม่ได้หมายถึงอวิชชานะเื่ออวิชชามันแนบอยนูนนั้นแหะพอาจิตยังไม่ถอนจาอวิชช า, าแต่มันมีแต่จิตล้วนๆกับอวิชชาซึ่งไม่ออกไปทํางานคุญแจสงบเ้ น, น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 กายเป็นหนึ่งต่างหากทุกเป็นตัางหากจิตเป็นหนึ่งต่างห า, นหนงตงหาแต่เพราะความุ่้หลงเราจึงได้รวมทั้งสามอย่างนี้มาเข้าพันเดียวกันเลยกลายเป็นความหลงทั้งทั้งดวงจิตก็เป็นจิตหลงทั้งดวงแล้วไฟเหล่านี้มันเกิดตากธรรมชาติมันมาตามแต่เมื่ออามาเผาตัวเองแล้วมันก็ร้อ น, นเพราะความต้องการ น, นี้เองไอ้ร้อนรู้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 ขาไปเรืเเ่อยเรือยอแต่ความรู้ด้วยจิตขออ่าววิชาที่ังจมอยู่ภายนนั้นค้นเข้าไปไอให้แหลกฟันให้แหลกละเอียดด้วยสติปัญญาอันทันสมยัยนั้นก็แตกเพราะนั้นแตกไปแล้วหมดความอริยัจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของลิชาทั้าหงดห่ะรู้แล้วจึงเป็นฐานที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็น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 สติปัญญาจะได้ทํางานให้เต็มแม่เป็มถูกต้องการสถานที่ก็ช่วยผิดปัญญาเกิดได้อยูอ่ในที่กลัวๆสติมันก็ดีปัญญามันก็แหละมคมพิจารณาอะไรมันก็คล่องแ ค, แคล่แก้วก้าถ้าได้ยับความอยู่สะดวกสบายมันก็ขี้เกียจกินมากอานอนมากเนี่ย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 อาหารหวานข้าวหลังไหลมาตัดทิศต่างๆนี่เห็นท้าผู้ไม่มีสติปัญญาต้อันอนกอดอาหารนี่เถอะเวลา น, นะส่วนทำนั้นไม่มหวังจะได้ครองเน่ะผมมีสติปัญญาจึงต้องฟิตตัวมีมากมีน้อยต้องหาว่าฟิตตัวระวังตัวเสมอไม่นอนใจ น, นี่ก็ยังมีต้องท่าระวัง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 จการแก้ขไขเดยแล้วมันทําเรื่องแล้วเข้าทางคนหูซิ่วคนนั้นนั่งทอนนาก็ไม่ง่วงอาหารไม่มากจะไปง่วงอะไรยิ่งไม่กินแล้วยิ่งไม่ง่วงเลยใบยเนน่ยอุบายท่านเพื่อสอนถ้าท่านไป ท, ท า, า, ายุคโมเสนาสนนันงนั่นฮะทาอยู่ในป่าในเขาท่นรอภคยที่เปรียบเกียบที่น่ากลัว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 ในฐานที่สะดวกสบายนอนใจแบบนั้นเราสอ น, นปเป็อนอย่างนั้นพระพุทเจ้าเรา อ, อยู่หอประส า, านราชธรรมกิมานานเท่าไหร่วเวลาเสด็จออกรงรหขหวดใครก็ได้ทุกยิ่งเขางพติพุทธเจ้าคิดฆักก็เกิดในที่ฉนั้นอีกเหมือนกันสาวกมาจากสกุลต่างๆสกุลพระราชามาหาเศรษฐีกรุงพีนั่นฟังที่ความมังมีแล้วออกมาแล้วเป็นสากลยบุคุชนี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 ค, ความทุกข์ไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดไม่ได้คิดมันก็ไม่เกิดทำก็ไม่เกิดถิงเนี่ยทุกข์มีมาก็เป็นหินนับปัญญาค้นคว้ามันเห็นชัดเป็นในเรื่องของทุกข์ถึงก็ตัวรอดไปได้เป็นยอดคนอัลลัตติวัง